บทที่37สศูนย์เสียทางเดินนั้นเรียงรายด้วยประตูห้องเต็มสองฝั่งซ้ายขวาคอนโดมิเนียมยามดึกสงัดคล้ายสถานที่ว่างร้างไร้ผู้คนลันดาวก้าวเดินด้วยความรู้สึกคุ้นเคยเพราะมาเยี่ยมพี่สาวถึงทินบ่อยๆต่างกันก็เพียงครั้งนี้แอบมาโดยไม่บอกกล่าวหรือนัดหมายล่วงหน้ามาวันทาอาศัยหอพักแพทย์อยู่เดือนเศษก่อนจะหาห้องชุดถูกใจได้ ลานดาวเป็นคนช่วยเลือกจึงได้รับหนึ่งในสองคีย์การ์ดซึ่งทางคอนโดจัดให้ตั้งแต่วันแรกที่พี่สาวย้ายมาอยู่และกลายเป็นแขกประจํารายเดียวนับแต่นั้นมายืนนิ่งตรงหน้าประตูห้องหมายเลข1 7ึ่งู่ใหญ่ขยับคีย์การ์ดในมืออย่างช่างใจคิดคล้คลวนครั้งสุดท้ายถึงความควรไม่ควรแต่ในที่สุดก็แปลไปเป็นความคิดว่าจะอ้างอย่างไรกับการมาเยี่ยมเย็นยาววิกาลเช่นนี้จ้เหงาคืนนี้ขอนอนด้วยคนไม่เอาดีกว่าบอกว่าเหงาตอนนี้คือโกหกชัดๆ แลมาวันทา ก, ก็คงไม่เชื่ออยากคุยกับพี่เอินบ้างพักนี้ไม่เจอหน้ากันเลยมือข้ามเพิ่งผ่านไปนั่งคุยกันร่วมสองชั่วโมงเหตุผลนี้จึงอ่อนอีกจะมีเรื่องอยากปรึกษาเอออันนี้เข้าท่านหน่อยกลุยทางด้วยไม้นี้ก่อนพอเข้าไปในห้องทําอะไรอู้อูสักพักแล้วเดี๋ยวก็คิดข้อเรื่องของคําปรึกษาได้เองแต่แล้วก่อนจะเอาคีการเข้าร้องรูดหญิงสาวก็ชะงักมือไว้เปลี่ยนใจหันซ้ายก้าวเท้ากลับทางเดิมหล่อนควรไปนอนให้สบายที่บ้าน พักผ่อนเอาแรงไว้ตื่นเช้ารุ่งนี้เพื่อทํางานทําการตามปกติมีจิตใจที่ปกติและความรู้สึกด้านดีต่อโลกรอบตัวเหมือนปกติเกือบสุดทางเดินก็เปลี่ยนใจอีกคราวนี้กลับหลังหันด้วยท่าทีมาม่มั่นย่าเท้าด้วยจังหวะสม่ําเสมออย่างคนที่รู้ว่ากําลังจะทําอะไรหล่อนควักคีย์การ์ดจากกระเป๋าสตางค์อีกครั้งในระหว่างก้าวเดินนั่นเองและเมื่อมาถึงหน้าห้องก็รูดบัตรฉับโดยปราศจากความคิดลังเลสิ้นเชิงพอได้ยินเสียงคลิกก็ผลักบานประตูเปิดพาง แสงไฟในห้องศาสตร์ให้เห็นทุกสิ่งกระจ่างชัดมาวันทานอนหลับอยู่บนเตียงและสะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับใครอีกคนหนึ่งที่ลานดาวภาวนาขออยากได้เห็นจ้าเสียงร้องของมาวันทานแหลมบาดหูสีหน้าสีตาตระหนกตกตื่นจนดูน่าสงสารส่วนอมริทเพียงลืมตากว้างและมองมานิ่งๆอย่างคนที่รับกับสถานการณ์พลิกผันกระทันหันมามากวินาทีแรกลานดาวรู้สึกเหมือนเกิดไฟร้อนลุกท่วมกายจิตวิ ญ, ญญาณแปลสภาพจากมนุษย์เป็นเปรต หรืออสุรกายอะไรสักชนิดที่พร้อมจะอารวาดกลัดเกลียวทว่าวินาทีถัดมาเมื่อจะฟาดงวงฟาดงาด้วยความคลุมข้างเข้าจริงๆล้านดาวกลับชะงักมือเท้าอ่อนเพราะไม่ทราบจะไปลงมือทําร้ายใครดีในเมื่อสองร่างบนเตียงนอนต่างก็เป็นผู้ที่หล่อนแสนรกักแสนบูชาสุดจิตสุดใจไฟร้อนที่ครอกวิ ญ, ญญาณจึงสงบราบคาบแปลเป็นไอน้ําแข็งดุดคืนเดือนมืดล้านดาวรู้สึกเหมือนร้องไห้สอืกสอกสื่ื้นซ้อนกันเป็นพันครั้งภายในอึดใจเดียว ทุกสิ่งตรงหน้าปรากฏคล้ายมายาหลอกล้อเหมือนพร้อมที่จะระเหยกลายเป็นควันเทียนในอากาศไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงไม่มีอะไรเป็นของหลอนและไม่มีอะไรควรค่าแก่กันอะไรใหญดีอีกหลอนผินหน้าผันพายออกมาจากจุดเดิมวิ่งไปข้างหน้าสุดเท้าด้วยกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ในชีวิตวิ่งวิ่งและวิ่งกระทั่งมาถึงสุดทางรู้ทางรู้ว่ามีกระจกหน้าต่างขวางอยู่ก็ยังพุ่งตัวออกไปเสียงเพลงใหญ่ดังขึ้นเต็ม2หูแผ่นกระจกบางใสที่เคยเนียนเรียบเป็นเนื้อเดียว แตกเปลืองออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยหอบลมดึกนอกอาคารพัดมาปะทะลานดาวเห็นขอบฟ้าว่างมืดมิดเบื้องหน้าหลังจากหลุดจากการรองรับน้ําหนักตัวของพื้นอาคารรู้สึกเป็นอิสระกายเบาควางดุดปุยนุ่นก่อนจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มีพลังกำลังโหดเหี้ยมมหาศาลกระชากร่างหล่ดลงในแนวดิ่งสู่แท่นประหารเบื้องล่างยังปลดจากความปราณีปลาศัยลานดาวปิดตาลงด้วยความตระหนักในมรณะการแห่งตนยิ้มรับชะตาครึ่งกล้าครึ่งกลัว จิตอันมืดบอดถูกปลุกขึ้นด้วยแรงกระแทกที่มาถึงเร็วกว่าที่คิดลานดาวลืมตาขึ้นด้วยความเจ็บเนื้อเจ็บตัวนี่เป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีที่หล่อนนอนตกเตียงด้วยฝันร้ายกลางดึกผุดลุกขึ้นด้วยอาการสลืมสลือเงอะ ง, งะมองรอบตัวอย่างจะสำรวจให้แน่ว่านี่ฝันหรือตื่นพอแน่ใจร้อเปอร์เซนแล้วว่ากำลังตื่นก็นั่งหมดท่าลงกับพื้นเสยผมถอนใจยาวด้วยความระอากับความเป็นลานดาวลีลากิรติในยามนี้ยิ่งนักหล่อนเก็บอาการระแวงและความอยากรู้อยากเห็นออกมาฝันต่อเป็นตุเป็นตะ ภาพความจริงที่เห็นครั้งสุดท้ายด้วยตาเนื้อคืออมริตขับรถพามาวันทาจากไปใจหล่อนแล่นตามไปด้วยอยากดูนักว่ารับตาหลอนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างจิตเลยจำลองเหตุการณ์ให้ดูเสียเลยว่าเจอภาพที่คิดคิดอยู่ว่าจะเจอแล้วเกิดอาการได้แค่ไหนซึ่งก็ปรากฏว่าแทบลมทั้งยืนเจ็บปวดรว่ดร้าวพอจะเป็นแรงบันดาลให้พุ่งหลาลงจากตึกเพื่อดับทุกได้ทันทีโดยไม่ต้องไต่ตรองไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังไม่ต้องฟังเรื่องนรกสวรรค์หลังความตายอะไรอีกแล้ว เม้มปากแน่นมองนาฬิกาเห็นบอกเวลาตีหนึ่งครึ่งคงไม่เป็นไรกระมังหากจะขอรบกวนพี่พี่สักเล็กน้อยฮลัลโหลมาวันทารับสายงวงเงียน้ำเสียงมีความเคยชินกับการถูกพยาบาลตามตัวกลางดึกลานดาวางสายทันทีแล้วกดเบอร์หม่เรียกไปยังเครื่องที่ห้องของอมริตซึ่งถ้าเขาอยู่ที่นั่นก็แปลว่าฝันเมื่อครู่คือความเลวร้ายเลอะเธอของหลอนเองทั้งเพลลุนระทึกอยู่เพียงไม่ถึงอึดใจก็ได้คาตอบสวัสดีครับ แฟนหนุ่มรับสายเสียงใสด้วยตนเองไม่ใช่เสียงจากเครื่องตอบรับท่าทางคงยังไม่นอนลันดาวอึกอักจะตัดสัญญาณดื้อแบบที่ทํากับมาวันทาก็เกลงอมาริดจับคลื่นจิตแล้วรู้ว่าเป็นตนจึงอ้อมแอมทําไมยังไม่นอนคะอ่านหนังสือเพลินเกือบจบเล่มแล้วต่างฝ่ายต่างเงียบลันดาวสำเนีจถึงพลังอ่อนอ่นที่เคลื่อนเข้ามาล้อมก็ทราบทันทีว่าอมาริดกำลังกวาดสําสรวจความคิดตนจึงพูดโมเมแบบเด็กเกเรหาเรื่องเพื่อให้เขาหยุด อ่านหนังสืออะไรคิดถึงจ้าในทางอากุศลอยู่หรือเปล่าทําไมเมื่อกี้ฝันถึงพี่ตแตรละ่ะเป็นจริงเป็นจังจนต้องโทรมาถามเนี่ยฝันว่ายังไงในทางไม่เป็นมงคลก็แล้วกันอมาลิศทอดถอนใจถ้าพี่อยากทําอะไรจ๊ะก็จะขอตรงๆงไม่เล่นแนวใสหรอกนาลานดาวยิ้มนิดๆโล่งใจที่เขาคิดไปในแนวนั้นเสียได้ถ้าไม่ใช่ตัวต้นเหตุก็แล้วไปงั้นจ้าไปนอนต่อละแผ่เมตตามาให้จ้าหลับสบายๆด้วยนะเดี๋ยวโทรมาปวนเสร็จก็จะวางเลยหรือ ค่ะในไหนชาติตื่นแล้วก็คุยกันหน่อยสีไม่เอาค่ะไปดีกว่าชาติก่อนไม่ได้เป็นนกเขาแมวเหมือนใครบางคนดึกๆึกดื่นๆไม่รู้จักนอนอย่าเพิ่งวางเลยจะวางเสียอย่างมีอะไรหรือเปล่าโรคเก่ากำเริบพอรู้ว่าใครปรารถนาจะอยู่ใกล้ตนอย่างแรงก็อยากเล่นตัวล่องหนหลบลี้ไปเสียเฉยเฉยลานดาวกดปุ่มตัดสัญญาณทิ้งแล้วคลานขึ้นเตียงด้วยความรู้สึกเหมือนเพิ่งเชิดหน้าหนีหนุ่มแปลกหน้าที่ช่างตื้อสักคนพอลงนอนสงบได้พักหนึ่งก็รู้สึกผิด นี่หล่อนจะเล่นตัวหาอะไรในเมื่อเพิ่งควนหายจากฝันร้ายเกี่ยวกับการสูญเสียเขาไปอยู่หยกหยกหญิงสาวคว้าโทรศัพท์มากดเบอร์ใหม่จะคุยอะไรคะทำเสียงแบบเด็กดื้อผู้น่ารักทักทายเขาอมาลิดหัวเราะเอื่อยๆระหว่างพี่กับจ๋าจ๋าช่างพูดช่างคุยมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องถามจ๋ะเองนั่นแหละแค่อยากฟังจ๋าพูดอะไรก็ได้พักหลังๆไม่ค่อยมีเวลาให้พี่เลยเอาแต่คุยกับแฟนๆรายการและแล้วก็มาถึงวันนี้จนได้วันที่โดนบ่นว่าไม่มีเวลาให้เขา ต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันต่างหากพี่แตร์ทำงานหามรุ่งหามค่ำอย่างกับอะไรอีกอย่างเทคโนโลยีระหว่างเราล้ำสมัยกว่าใครเมื่อกี้ขนาดตัดสัญญาณไฟฟ้ายังมีสัญญาณจิตมาจิกตัวจนจะทนไม่ไหวต้องโทรกลับมาอีกเนี่ยหล่อนโบยให้อยู่ในรูปถูกเขาประทุสร้ายทางจิตอาศัยที่ล่วงรู้ว่าหลังจากวางสายแล้วเขาคิดถึงหล่อนในลักษณะอะไรอาวร์อยู่จริงๆพี่เปิดเท ฟ, ฟังรายการเมื่อเช้าแล้วเดีย๋ยวนี้ยิ่งใหญ่มากนะมีคนดังโทรมาร่วมแจมด้วย เพราะเตรียมตัวไปล่วงหน้าล้านดาวจึงรับฟังโดยปราศจากอาการสะดุดใดๆให้เขาจับได้ทั้งสิน้นอ๋ออิตาสารณะเหรอคะอืมจะแปลกใจเหมือนกันเล่นเอารพูดไม่ออกทีแรกยังแซวว่าชื่อเหมือนโคโส่งรัฐบาลตายใครจะนึกว่าของจริงมาเองอีกหน่อยนายกรัฐมนตรีคงตามมาล้านดาวหัวเราะสมพรปากจะได้ถือโอกาสสับนโยบายยี้ๆออกอากาศซาให้เข็ดอืมคงถูกสั่งปิดรายการวันนั้นเลยแหละ ว่าแต่คุณสรณะนี่แกเชียร์จะน่าดูนะคนอาจเอาไปร่ําลือกันจนกลายเป็นข่าวซุบซิบในหน้าสังคมอีกพักหนึ่งทีเดียวลานดาวชะ ง, งักเล็กน้อยอย่างดูก็สัมผัสว่ากระแสจิตอมาริดราบเรียบเป็นปกติทุกประการแต่ใครจะรู้ระดับความคงเส้นคงวาของเขาสูงกว่าหล่อนคงเอาความเป็นหล่อนไปวัดเขาได้ไม่แม่นยำนักว่ากําลังแฝงซ่อนลิษณัยอันใดไว้หรือเปล่าจะทํางานออกกว้างแบบนี้พี่แตรต้องทําใจหน่อยนะคะ มไม่เห็นต้องทำใจเลยจ๋านั่นแหละอย่าวิตกมากแล้วกันทำงานสบายๆทำใจสบายๆงานของจ๋าต้องการความสดใสที่สม่ำเสมอเราคุยกันมาตั้งเกือบปีแล้วในเรื่องพันนี้พี่ไม่หึงหวงส่งเดชหลอกหน้าลานดาวก้มหน้าสลดเขาไม่หึงหวงส่งเดชหล่อนเองที่หึงหวงส่งเดชจ๋าส่งสารพี่เอิญจังเลยหล่ะพี่แตร ى, ต้องอยู่คนเดียวอย่างนี้เปลี่ยนเรื่องปุบ ป, ปับด้วยการรำพึงถึงมาวันทาไปเสียความจริงเคยบ่นกับอมริ์ เรื่องสงสารมาวันทาหลายหนจี้ให้เขาหาเพื่อนดีๆมาแทนที่สามีเก่าสักคนอเมริดก็รับว่าพยายามอยู่แต่ก็ไม่เห็นผลงานคืบหน้าสักทีระหว่างนี้เขาก็ปล่อนไปไหนจะชวนมาวันทาไปด้วยเสมอจนอาจกลายเป็นการสร้างความเคยชินผิดๆที่ขาดมาวันทาไม่ได้ในทุกงานเสียแล้วแม้แต่มาวันทาเองก็เคยคุยกับหล่อนจริงจังถึงความไม่เหมาะไม่ควรแต่หลังจากที่หล่อนรับฟังพี่สาวแจกแจงผลเสียอันยาวยืดจนจบก็พูดหน้าตาเฉยว่าพรุ่งนี้จะไปรับมากินข้าวเย็นด้วยกันอีก แล้ววางโทรศัพท์ปิดทางปฏิเสธแค่นั้นหล่อนคิดง่ายๆแค่ว่าในเมื่อเป็นความสุขความพอใจของทั้งสคนเสียอย่างความถูกต้องที่สุดก็อยู่ตรงนั้นแล้วไม่เห็นต้องคํานึงถึงความถูกต้องตามคันลองของใครอื่นให้วุ่นวายเบื่อเอิญหรือไงยอยากรีบหาใครมาเทคแคร์ซะให้สิ้นเรื่องสิ้นราวอมริซซักตรงข้ามเลยค่ะลานดาวรีบปฏิเสธจ้าอยากให้พี่เอิญอยู่กับเราสองคนตลอดไปด้วยซ้ําแต่เกรงใจพี่แตรแล้วก็อยากให้พี่เอิญมีคนดูแลไม่ต้องเปลี่ยวใจ นึกถึงภาพพี่เอินอยู่เดี่ยวเดี่ยวทีวไรสงสารเหลือเกินไปสงสารทำไมเห็นยิ้มแฉ่งอยู่ตลอดพี่สัมผัสเข้าไปทีไรเวลาไหนก็เห็นมีแต่ความสุขความเบาความสว่างจะเคยเห็นเอินเหงาเศร้าหรือร้องไห้สักครั้งไหมละ่ะอันนั้นก็จริงแต่คิดดูสิคนเคยมีสามีเลี้ยงคอยเอาอกเอาใจเดี๋ยวนี้ต้องผ่อนคอนโดเองทำอะไรเองทุกอย่าง หนุ่มๆรู้ว่าเอินอยาก็มารุมชิงตัวกันยิ่งกว่าฝูงปลาหิวแย่งเหยื่อเท่าที่เอินเล่าให้ฟังพี่รู้จักห่างๆอยู่คนหนึ่งเป็นหมอสันก็ใช้ได้นะเสียแต่ไม่ค่อยหล่อส่วนที่หลอก็ท่าทางเจ้าชู้จัดสำคัญกว่าอะไรคือเอินยังมีความสุขกับการอยู่คนเดียวนั่งเดินยืนนอนภาวนาไปเรื่อยยังไม่เดือดร้อนอะไรจาก็อย่าไปเดือดร้อนแทนเขานักเลยวันนี้ไม่เดือดร้อนแล้ววันหน้าเกิดเพลินลืมนับเดือนนับปีสังขารเริ่มโรยรา โดนล้อ ว, ว่าเป็นสาวทืนทึกจะว่าอย่างไรคะสาวทืนทึกหมายถึงสาวใหญ่ที่ยังไม่แต่งงานเอิญแต่งแล้วรอดจากบัญญัติที่มีไว้สร้างความเจ็บใจพันนี้แล้วและสำหรับพี่นะผู้หญิงอายุมากขนาดไหนถ้าหน้าตาผ่องใสเสียอย่างเดียวก็ไม่เหมาะที่ใครจะประเคนคำว่าทืนทึกหรือทึมทึกให้พวกเธอหอกเวนเสียแต่จะมีจิตใจหดหู ฟ้องสภาพเงียบเหงาของตัวเองด้วยใบหน้าเศร้าหมองเท่านั้นยิงไร้สามีที่ทําประโยชน์ให้สังคมตั้งมากมายดูเป็นสุขเสียยิ่งกว่าพวกแต่งแบบคิดผิ ด, ผดเพราะด่วนเลือกเยอะนักลานดาวยิ้มซึมหลงัลงๆจ้าอาจฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรามากเกินไปเห็นใครเคราะหร้ายแล้วนึกเอาตัวเองเข้าไปแทนที่อยู่เรื่อยถ้าจ้าถูกพี่ตแตรทอดทิ้งไปมีคนใหม่อย่างนี้จ้าคงทนรับสภาพไม่ได้อมาลิดหัวเราะมันเป็นเสียงหัวเราะที่เยียบเย็นอย่างประหลาด ระหว่างเราถ้าจะมีใครทิ้งใครก็เชื่อเธอว่าคงเป็นจ้าเองหน่วยตาลานดาวเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยเสียงหัวเราะของเขาทําให้เจ็บจีตขึ้นมาในอกพี่ตแตรขานชื่อเขาด้วยหางเสียงติดเข้นพี่ตแตรคงไม่รู้หรอกว่าจ้าทําอะไรมาบ้างเพื่อให้ได้อยู่กับพี่พี่จาไวด้ดีๆเธอว่าจ้าออกปากบอกไปสองครั้งว่าพร้อมแล้วสําหรับการแต่งงานพี่ทําไม่รู้ไม่ชี้เหมือนแกล้งหูทวนลมจ้า ก, ก็เกอ้อพอแรงอยู่แล้วนี่มาพูดเหมือนจ้าเป็นคนใจจืดใจดําอีก มันหมายความว่ายังไงคะเสียงครียดของลานดาวทําให้อมาฤตนิ่งไปนานหญิงสาวรู้สึกแน่นหน้าอกหน้ามืดวูบวับกระทันหันหายใจลึกคมโธสะอยู่ครู่ตกลงกับตนเองว่าอย่างไรคืนนี้ต้องพูดให้รู้เรื่องพี่แตรบอกมาดีกว่าว่าจะเอายังไงพี่พี่เบื่อจ้ะทนเหม็นขี้หน้ามานานเปิดอกเลยค่ะจะรับได้เพราะจ้าก็เหนื่อยเต็มทีอมาฤตสายหน้าอยู่อีกปลายทางหนึ่งพยายามไม่ถือสาอารมณ์ร้อนของแฟนสาวอยากให้สารภาพก็จะสารภาพ ที่เริ่มกลัวบารมีจ้าขึ้นมาชีวิตเราเหมือนอยู่คนละช่องชั้นดูไม่ค่อยสมน้ําสมเนื้อกันเท่าไหร่โดยเฉพาะในแง่ของฐานะพี่ทํางานมาตั้งกี่ปียังไม่เคยมีเงินสดถึงเซี้ยวนึงของจ้าทาในครึ่งปีทีแรกพ่อจ้ารวยก็ให้ความรู้สึกว่าเราต่างชั้นต่างฐานะกันพอแรงอยู่แล้วแต่นี่จ้าทําเงินได้หลายๆล้านด้วยตัวเองยิ่งกดความรู้สึกพี่เข้าไปใหญ่พี่ตแตรขึ้นเสียงสูงฟ้องความพิศวงล้าลึกพี่ใช้อะไรคิดคะ ความรู้ความสามารถของจ้ามาจากไหนถ้าไม่ใช่พี่หนังสือที่ขายได้นั้นจ่าระลึกเสมอว่าเราสามคนช่วยกันถ้าพี่เอิญไม่เป็นต้นคิดก็ไม่มีจุดเริ่มถ้าพี่ตรายไม่สอนอะไรดีๆให้จ้าก็คือเด็กอมมือคนหนึ่งเท่านั้นอมาริ์เงียบกลิบลานดาวกล้ำกลืนก้อนขมแห่งความน้อยใจเป็นครูก่อนกล่าวสืบต่อด้วยความอดทนจ้ารู้ว่าทางพี่ตรายกับพี่เอิญยังไม่ได้ดูบัญชีธนาคารของตัวเองกันไปเช็คซะนะคะอาทิตย์ก่อนจ้าโอนเงินค่าหนังสือให้พวกพี่คนละครึง่ง ของตัวเองไม่ได้เก็บไว้เลยแม้แต่บาทเดียวทิ้งท้ายด้วยเสียงสั่นเคลือเช่นนั้นแล้วลันดาวก็ปิดโทรศัพท์หลับตาขบริมฝีปากแน่นศบหน้าสะอึกสะดื้นกับหมอนเงียบๆโดยไม่สนใจสัญญาณเรียกจากอมาริดทั้งทางโทรศัพท์และทางจิตในที่สุดเขาก็พูดออกมาเขาไม่อยากอยู่กับหลอนตกลงอมาริดไม่ใช่คู่ของหลอนจริงๆทั้งที่เพียรพยายามแล้วทุกอย่างเพื่อรักษาเขาไว้แต่เหมือนกลายเป็นว่าความพยายามทั้งหลายนั่นเองที่ผลักเขาออกไปเร็วขึ้น รู้สึกสูญเสียอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนทั้งตัวทั้งตนที่ผ่านมาในอดีตมีอยู่เพียงเพื่อรอพบเขาเพื่ออยู่กับเขาพอเขาหายไปจะเหลืออะไรในความเป็นหล่อนไว้อีกทำอย่างไรจะล้างมนต์อาถรรแห่งคำทำนายของหมอดูผู้วิเศษเช่นอุปการะได้ไม่ใช่ทำอย่างไรจะล้างคำสาปแห่งกรรมของตนเองได้หนอเป็นรุ่งสางแห่งความประหลาดใจของมาวันทาเมื่อลืมตาขึ้นมาพบกับลานดาบนมานั่งหน้าโตกเครื่องแป้งกำลังจับตาทอดมองหล่อนนิ่ง ลีลานั่งไขว่ห้างของน้องสาวดูสงบเป็นดุสเีภาพให้ความรู้สึกแปลกไปจากเดิมอย่างบอกไม่ถูกถึงขนาดที่มาวันทาต้องถามตนเองว่ากำลังหลับและหลงเห็นภาพฝันไปหรือเปล่าจ้าหล่อนทักงงงมาแต่เช้าเลยมีอะไรหรอลานดาวระบายยิ้มอ่อนโยนในตาทอประกายลํำลึกด้วยกระแสความรักจากก้นบึ้งของหัวใจจ้าทาให้พี่เอินตื่นหรือเปล่าคะเปล่าพี่ตื่นเองเธอมานานหรือยังพักใหญ่คะ่ะ เห็นปกติพี่เอินตื่นตีห้าเลยมาก่อนหน้านั้นหน่อยอ๋อวันนี้เข้าสายได้ตั้งใจลุกราวๆนี้แหละนี่ตื่นขึ้นมาเจอเธอนั่งจ้องตาแป๋วงงเลยพี่น้องสองสาวนั่งศบตากันมาวันทาดึงกายขึ้นนั่งขัดสมาธิกลางเตียงจ้องมองอีกฝ่ายอย่างค้นหาขณะนั้นแสงที่วายังไม่สาดให้รูปทรงสีสันทั้งหลายเจิดแจ่มแว่าก็เพียงพอจะเห็นแววตากันและกันถนัดคิดว่าไม่ใช่อุปาทานที่รู้สึกว่าลานดาวกําลังเศร้าหงอย แต่แทนการทักอาการตรงๆมาวันทาก็พูดเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งให้ฟังดูดีเวลาเธอหงิมหิมนี่ชักเริ่มฉายแววแม่พราผู้มีรัศมีปลานีกระจายแล้วล่ะจ๊ะรักสามารถนิ่มๆไว้นะเปลี่ยนจุดขายมั่งก็ดีคนจะได้ไม่เบื่อล้านดาวหัวเราะแผ่วและรับปากอย่างคนว่านอนสอนง่ายค่ะพี่เอินจะเชื่อพี่เอินเสมอว้าวยอดยอดแพทสาวยกนิ้วโป้งให้พร้อมจุ ป, ปากถ้าทางซื่อๆพูดจาเนิบหนาบ้า น้ำเสียงนิ่มนวน ล, มลละมุนละไมอย่างนี้ไม่ใช่คนแล้วนะเธอต้องเรียกเจ้าหญิงลานดาวลีลากิรติเต็มยศถึงจะสมพระเกียรติคนเป็นน้องหัวเราะรื่นขึ้นพอหยุดหัวเราะก็ยิ้มพลายสายหน้าเชื่องชา้าเดี๋ยวนี้มาวันทาชักหยอดมุกยั่วเย้าเก่งเห็นได้ชัดว่าติดนิสัยขี้เล่นของหล่อนไปมากแตกต่างจากเดิมพอดูแต่ว่าพี่สาวคนดีก็น่ารักตลอดการไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใครเหมือนอย่างที่หล่อนเคยเป็นเป็นน้องของพี่เอิญก็ต้องเอาแบบอย่างความเป็นกลุ่สตรีมาจากพี่เอิญบ้างสิคะ อืมอืมไหนบอกพี่สีเกิดอะไรขึ้นแค่ชั่วค่ำคืนเหมือนจับเปลี่ยนไปจริงๆอย่างกระนางอายลานดาวซ่อนยิม้มนางอายหนะลิงพี่อ้าวหรอค่ะลิงลมลิงจุนหรือนางอายล้วนแล้วแต่หมายถึงลิงหางสั้นจุ๋เช้าเช้าเวลากลางวันว่องไวเวลาหา ก, กินตอนกลางคืนหรือพี่เอิญเห็นจ้าเป็นอย่างนั้นมาวันทาหัวเราะออกมาได้ความหมายของพี่คือเธอเหมือนานางในวรรณคดีขี้อายต่างหากแบบว่าดูแปลกๆนละ แม้แต่กระแสจิต ท, ที่ฉายออกมาก็ให้สัมผัสผิดไปโตแล้วมังคะเลยโรยแรงเกินกว่าจะคือขะนองแบบเด็กๆความจริงจ้าอยากพูดน้อยๆแล้วก็อยู่งเงียบๆมาพักหนึ่งแล้วฝืนทำเหมือนเดิมไปอย่างนั้นเองกลัวพี่เอิญหาว่าดังแล้วทำเป็นขลึมแพ้สาวหัวร้อเสียงใสอีกครั้งจ้าเธอเป็นยังไงพี่ก็รักเธอเสมอสองตาสารกันลันดาวนึกอยากร้องไห้ขึ้นมาด้วยความตื้นตันวูบหนึ่ง แต่กล้ามกลืนฝืนซ่อนไว้ในลําคอลุกจากมานั่งมาพับเพียบบนเตียงเคียงข้างภูพีแล้วเอ็นร่างทอดสองแขนสวมกอดด้วยความรู้สึกแสนบริสุทธิ์ขอให้เราพบเจอกันในทุกพบทุกชาตินะคะถึงแม้ไม่เป็นพี่น้องคลานตามกันมาก็จงรู้สึกไม่เป็นอื่นต่อกันอย่างนี้ตราบเท่าเข้าถึงพรานิพานมาวันทากดใบหน้าลานดาวแนบซอกไหลเพิ่งรู้สึกเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวนั้นว่าการอธิษฐานร่วมพบร่วมชาติก็เหมือนการนัดหมายไปเจอกันที่ไหนสักแห่ง หากปักใจมั่นคงทั้งคู่ก็เหมือนรู้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ผิดนัดเป็นแน่แท้ตกลงเราจะพบกันทุกชาติทําให้พี่ได้หัวเราะสนุกเหมือนชาตินี้ไปเรื่อยๆนะแพทยสาวรู้สึกดีที่พูดรับคําเช่นนั้นและคุณคุณว่าเหมือนเคยตกลงร่วมกันมาก่อนแล้วพวกเราคงวนเวียนพูดซ้าไปซ้ำมาทํานองนี้อีกหลายแสนหลายล้านรอบเจอหน้ากันวันแรกก็เออเฮอรู้สึกคุ้นจังเลยเข้าอีสอบเดิมทุกประการแต่หวังว่าคราวต่อไปคงไม่เริ่มสัมพันธ์ภาพด้วยการเป็นหญิงรักหญิงอีกละ ลานดาวสูตรกลิ่นที่ระเหยหอมจากไออุ่นในสวงอกของพี่สาวสัมผัสอันกอดจินตนาการถึงความปลอดภัยดุดอ้อมกอดผู้เป็นมารดาหล่อนเริ่มซึมซับกลิ่นอายนั้นมาเข้าตัวและเห็นว่าหล่อนก็อาจกอดคนทั้งโลกด้วยกระแสปลาณีเยี่ยงนี้ได้ด้วยตนเองแล้วเช่นกันบอกพี่เถอะนะเธอเป็นอะไรไปมาวันทาถามเชิงปลอบอยู่ในทีแต่น้องสาวยังคงนิ่งเงียบเชียบเช่นเดิมจะทําให้พี่นึกถึงวันที่เธอความจําเสื่อมท่าทางหง่อยๆเหมือนอย่างนี้เลย ลานดาวดึงกายผละจากอ้อมกอดของหญิงผู้อาวุโสกว่าทั้งกายและใจเบือนหน้าหลบไปทางหนึ่งที่ผ่านมาทั้งชีวิตจ้ะมัวเป็นใครอยู่ก็ไม่รู้เพิ่งรู้สึกแปลกหน้าตัวเองเหมือนกันค่ะมาวันทาตามมาโอบกอดจากเบื้องหลังกระซิบแผ่วชัดเธอเป็นเธอนั่นแหละแต่ตัวเธอมีหลายมิติหน่อยเท่านั้นขึ้นอยู่กับช่วงวันหรือช่วงวัยที่ภาคไหนจะมีโอกาสแสดงตนออกมาถ้าตัดความจําเกี่ยวกับอัตราหน้าผยองของปัจจุบันชาติ จิตวิญญาณเดิมๆของเธอคงเอ็นเอียงไปทางสงบเส ง, เงี่ิมนี่เองรักษาภาคนี้ไว้ให้พี่ดูเล่นนานๆหน่อยก็ดีจะเป็นภาคไหนมิติใดจาก็หลงสแสวงหาตัวเองและสิ่งเติมเต็มในชีวิตแบบผิดๆทั้งนั้นเขาก็เป็นอย่างนี้กันหมดแหละเธอดีกว่าคนอื่นเท่าไหร่ที่พบตัวเองตามจริงตั้งแต่ต้นชีวิตลานดาวระบายลมหายใจเหยียดยาวคนเราต้องวิ่งหาใจจริงให้เจอก่อนถึงจะมีสิทธิพบกับความจริงรอบตัวโดยปราศจากอุปท า, านบังตาใช่ไหมคะพี่เอิญอื้ ว่าท้าเด็ดที่เตรียมไว้พูดพรุ่งนี้หรือเปล่าจำลีลาไว้ด้วยนะถอนใจยาวๆก่อนแล้วค่อยพูดมาสมเป็นมืออาชีพทีเดียวล้านดาวอดหัวเราะไม่ได้เยี่กายมาผลักแขนมาวันทาเบาๆพี่เอิญนี่รู้ว่าพี่สาวพยายามยั่วยัวกระเซาแย่เพื่อให้หล่อนกลับมาทะลึ่งตึงตังเหมือนเดิมรำรจะสนองความต้องการของฝ่ายนั้นแต่พอนึกถึงเรื่องที่กาลังจะพูดต่อไปก็ทะลึ่งไม่ออกพี่เอิญคะ หันกลับมานั่งพับเพียบเผชิญหน้าผู้พี่ด้วยสายตาเปิดเผยแน่นิ่งจะไม่ได้รักพี่แตรหรอกอาจจะเคารพลึกซึ้งแต่ไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความใกล้ชิดในแบบที่จะเป็นเมียเขามาวันทาตะลึงงงแต่ครู่หนึ่งก็เอื้อมือบีบแขนน้องสาวแน่นพูดด้วยท่าทีร้อนรนกว่าปกติเธออย่าด่วนสรุปบ้าๆไปคนเดียวนะเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่บอกไหนเล่าให้พี่ฟังซิลานดาวสายหน้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะ นอกจากเห็นว่าความคิดระหว่างจ้า ก, กับพี่แตรตรงกันเราคิดตรงกันมานานเรื่องความต่างเพียงแต่พี่แตรเริ่มพูดขึ้นก่อนแล้วก็ถึงวาระที่จ้าจะเอาม่านบังตาออกเลิกดื้อดึงกับชะตากรรมของตัวเองเสียทีมาวันทาสายหน้าบ้างไม่เชื่อหรอกจูจูเธอจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงพี่ไม่เคยเห็นใครสมกันท้าพวกเธอสองคนเลยจริงๆแต่จ้าเห็นจากมุมมองที่พี่เอิญไม่มีวันเห็นลานดาวยิ้มและมองมาวันทาด้วยในแฝงพี่แตรมีคนที่เหมาะสมกว่าจ้าอยู่ ใขอเปลี่ยนเรื่องชั่วคราวถามจริงๆเธอค่ะพี่เอิญตกหลุมรักพี่ อ, องค์ตั้งแต่แรกสุดที่พบกันเลยหรือเปล่าหัวคิ้วมาวันไทาย่นลงเล็กน้อยมองน้องสาวอย่างต่ำมไม่ทันทราบแต่ว่ามีในบางอย่างอยู่ในคําถามนั้นจึงตอบตามตรงโดยปราศจากการปิดบงังดุจเดียวกับพูดให้ตนเองฟังช่วงต้นพี่มีใจให้เขามากกว่าใครแต่ยังไม่ถึงขนาดหลงรักลึกซึง้งก็อย่างที่เคยเล่าให้เธอฟังมีความสุกะปรงและมลทินระหว่างเราตั้งแต่เดือนแรก พี่อ่องใช้กําลังกับพี่บังคับคืนใจให้พี่ตกเป็นของเขาและอดคิดถึงเขาไม่ได้ถึงแม้จะเกลียดเข้ากระดูกและตั้งใจเลิกคบเด็ดขาดในที่สุดก็ต้องใจอ่อนและพี่ก็คิดว่าพี่อ่องเองนั้นกว่าจะรักพี่ด้วยหัวใจแท้จริงก็ล่วงหลายเดือนผ่านไปหลังรู้จักและเห็นใจกันจากเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆลานดาวสยาม ย, ยิ้มกว้างขึ้นแล้วพี่เอินเคยรู้จักความรักที่ไม่ต้องฝืนไหมแบบมีความสุขความสบายใจเข้ากันได้แต่แรกไม่ต้องปรับตัวเข้าหากัน ไม่ต้องมีใครเพียรพยายามก็หมอกกันอยู่เองเหมือนของสําเร็จรูปที่เอามาประกบก็ลงล็อกทันทีมาวันทาสันศรีสะมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างและนั่นก็ทําให้เราทุกคนมีช่องว่างอย่างเธอกับพี่ถึงแม้สนิทแน่นแฟ้นลงรักกันตานจะกลืน่นแต่สํารวจดีๆก็มีบางสิ่งกั้นเราไว้ไม่ให้เห็นกันได้ทั่วถึงตลอดซ้ายเชื่อเธอว่าคู่ที่ปลัดจากช่องว่างคือคู่ที่อยู่ในจินตนาการเกินจริงเท่านั้นงั้นฟังดีๆนะคะพี่แตรเคยบอกกับจ๋าว่า เห็นพี่เอินครั้งแรกก็นึกรักแล้วพี่เอินสวยเหมือนนางในฝันที่เขารอมานานมาวันทาฟังแล้วหน้าแดงด้วยความตกใจจากนั้นเปลี่ยนเป็นซีดเข่าด้วยความกลัวเธออยาตัดตอนคําพูดของพี่แตร์มาแค่บางส่วนให้เกิดความเข้าใจผิดกันเปล่าๆเลยจ้าพี่กับพี่แตร์ไม่เคยมีอะไรกันแม้แต่นิดเดียวเธอคือแฟนตัวจริงของเขาเขารักเธอแล้วสมมุติว่าไม่มีจ้าล่ะคะแพทสาวผุดลุกขึ้นยืนข้างเตียงจ้องเขมง็งและใช้เสียงแข็งขึ้นเพื่อประกาศความจริงจัง อย่าให้พี่ตรีเสียแรงเก็บหอมรอมริบแทบแย่อย่างเปล่าประโยชน์นะเขาอยากแต่งงานกับเธอเขาสู้ทุกอย่างเธอกําลังจะเบื่อเขาด้วยความหลายใจของเธอเองใช่ไหมโดนหาว่าหลายใจอย่างนี้หากเป็นเมื่อก่อนลานดาวคงเกิดความขุ่นเคืองและอาจลุกขึ้นโต้เถียงด้วยอารมณ์แรงกว่าพี่สาวสองเท่าแต่วินาทีปัจจุบันใจหล่อนกลับสงบอย่างประหลาดเรากับไม่มีสิ่งใดมาเร้าให้ร้อนขึ้นได้อีกเลยอย่าด่วนปรักปรามจ้าเลยค่ะพี่เอิญมานั่งคุยกันดีๆเถอะ จะมีเรื่องจะอธิบายมากอยู่เหมือนกันมาวันทายิ่งฉุนหนักขึ้นเพราะลานดาวทำท่าคลายผู้ใหญ่เกลี้ยกล่อมเด็กเอาแต่ใจให้สงบลงและพยายามเรียกมานั่งฟังเหตุผลดีๆไม่เต้นแรงเต้นกาเกเรเ ก, รเกรตุงไปเสียก่อนแต่สถานการณ์เช่นนี้ขืนหล่อนไม่สงบลงฐานะของคนเคยได้รับความนับถือให้เป็นพี่เป็นเชื้อก็จะลดลงมาเป็นผู้หญิงธรรมดาระดับเดียวกันเปล่าๆมาวันทาจึงยอมนั่งลง แต่ห่างกันเป็นโยอกับอีกฝ่ายคือเลือกไปนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งแทนนั่งร่วมเตียงเช่นเมื่อครูพี่จะฟังเธอพูดแต่ขอให้พูดแบบครบถ้วนถูกคําทั้งของเธอและของพี่แตรนะอย่าดัดแปลงอย่าตัดต่ออย่าเสริมเติมด้วยความเห็นส่วนตัวประเภทมูลมีอยู่หนึ่งขยายเป็นร้อยพี่จะไปถามขอคํายืนยันจากพี่แตรด้วยพี่เอิญทําไมพี่เอินต้องโมโหคําถามง่ายๆจากกิริยาสงบนิ่งของลานดาวทําเอามาวันทาสะดึกและเงียบงันอย่างตอบไม่ถูก พี่เอิญโมโหพฤติกรรมของจ๊ะหรือโมโหเพราะเจ็บแทนพี่แตลคะหงุดหงิดกับวิธีพูดของเธอนั่นแหละพี่ไม่ชอบถูกต้อนเธอมีอะไรจะพูดก็พูดเถอะที่พี่แตรสารภาพกับจ้าว่ารักพี่เอิญไม่ใช่จ้าไปเคี่ยวเขียนหาความจริงอะไรเลยพี่แตรคาย ค, ายความในใจตั้งแต่วันที่สองที่รู้จักกันแล้วตอนนั้นจ้าอยากเรียนโทรจิตกับเขาเขาบอกว่าก่อนอื่นต้องไม่มีความลับต่อกันเราเลยเล่นกับความลับที่ถือว่าเร้นสุดของแต่และฝ่าย จ๋าบอกไปอย่างหนึ่งเขาก็บอกมาอย่างหนึ่งและสิ่งที่เขาบอกก็คือหลงรักพี่เอิญตั้งแต่แรกพบไม่ใช่จ๊ะมาวันทานหน้าขึ้นสีชมพูจัดก่อนแหวะออกมาเสียงสัน่นมันจะเป็นไปได้ยังไงผู้ชายที่ไหนเห็นเราสองคนพร้อมกันแล้วจะมาหลงพี่ก่อนเธอผู้ชายที่เคยมีบุพกรรมร่วมกับพี่เอิญในอดีตชาติไงคะลานดาวตอบด้วยน้ําเสียงราบเรียบและใสยเย็นแพทสาวขบริมฝีปากอย่างไม่ทราบว่าควรโต้อตอบอย่างไรหรือกระทั่งมีปฏิกิริยาเป็นความรู้สึกเช่นใดดี นอกจากกลั้นใจฟังต่อจ้าเพียรทําทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะหลงรักใครเลยนอกจากตัวเองกลัวคําทํานายของอาจารย์กลัวตัวเองแก่ลงเรื่อยๆด้วยความเงียบเหงากลัวตัวเองขายหน้าที่หาแฟนมาควงอวดโลกไม่ได้สมตัวพอพบพี่แตรที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างก็เพียนพยายามยื้อยุดฉุดดึงเขาไว้แม้แต่ทําเรื่องยากสาหาัสเช่นปรับเปลี่ยนแผนพังกกรรมของตัวเองให้ใกล้เคียงกับเขากระทั่งสุดท้ายพบว่าทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเส้นทางเดิมอยู่ดี ลองดูแล้วแรงส่งของความผูกพันเก่าๆทําให้จาเป็นแค่ตัวขัดตาทับหรือมาช่วยเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความผูกพันระหว่างพี่ตรายกับพี่เอิญเท่านั้นรอจังหวะเวลาเหมาะจนพี่เอินเป็นอิสระและจ่าเป็นผู้ใหญ่รู้คิดรู้อ่านมากขึ้นขอยแยกจากกับพี่ตรายออกจากกันโดยไม่ต้องมีใครเจ็บปวดนักพูดแล้วนึกถามตัวเองไม่เจ็บแน่หรือความจริงหลอนเจ็บเสียจนเหมือนตายดับไปแล้วแว่าเมื่อถึงนาทีที่ใจตัดได้ทุกอย่างก็คล้ายเปลี่ยนแปลงราวกับพลิกโลกพลิกตัวตน พลิกการเวลากลับไปสู่การฟื้นคืนชีพใหม่ดวงจิตหล่อนสงบลงอย่างราบคาบด้วยน้ำใจสละยิ่งใหญ่อย่างที่ทั้งชีวิตไม่เคยรู้มาก่อนว่าให้รถเป็นสุขล้ำปานใดประจักษ์ชัดว่าดวงจิตที่ไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกพันไม่หยุดมั่นบุคคลหรือสรรพสิ่งภายนอกช่างพิสุจน์ใสควรแลกกับทุกสิ่งแม้แต่คนรักที่เคยบูชาเสียนักหนาจนแล้วจนรอดมาวันทาก็ยังพูดอะไรไม่ออกอยู่นั่นเอง ลานดาวจึงเป็นฝ่ายเอ่ยต่อหลังจากเงียบนานพักใหญ่จ้าทบทวนแล้วกรรมดีที่ทำมาเพื่อให้ได้อยู่กับพี่แตรไม่สูญเปล่าเพราะสิ่งที่จ้าสูญเสียไปคือตัวตนที่เห็นแก่ได้ส่วนสิ่งที่ได้มาคือดวงตารู้เห็นความจริงที่น้อยคนจะเห็นคือในโลกนี้โดยเนื้อหาที่แท้แล้วเรื่องเล็กไม่มีมีแต่ใจยึดเรื่องหนึ่งหนึ่งนิดหน่นหนอยแล้วเรื่องใหญ่ก็ไม่มีมีแต่ใจยึดเรื่องหนึ่งหเสียมากมายพอไม่ยึดเลยสายตาจ้าก็เปิดกว้างและเห็นความจริง เช่นจะไม่เหมาะกับพี่แตร ى, พี่เอินต่างหากที่เหมาะแต่พี่พี่ไม่ได้รักพี่แตรแบบนั้นเพราะที่ผ่านมามีจ้ายืนบังใจพี่เอินไงคะพลิกมุมมองนิดเดียวพอจ้าหายไปใจพี่เอินจะยอมรับเขาทันทีมาวันฐานนิ้วนาะอย่าทําเป็นสู่รู้หน่อยเลยขอร้องนึกว่าการเอาแฟนมายัดเยียดให้คนอื่นง่ายๆอย่างนี้คือการเสียสละที่ควรสรรเสริญหรือใครครวรดีๆนะจ๊ะนี่อาจเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความเห็นแก่ตัวก็ได้เธอกําลังจะมีใครใหม่ใช่ไหมล่ะ ลานดาวสายหน้าจ้าแค่อยากทำให้อะไรอะไรง่ายขึ้นพอพี่เอินรู้ว่าใจพี่ตรายคิดยังไงทุกอย่างจะได้ลงเอยโดยไม่ต้องเสียเวลายืดเยื้อเมื่อคืนจ้าพูดเรื่องแต่งงานพี่ตรายเป็นคนบอกเองว่าทุกอย่างถูกต้องตามเส้นทางของกรรมแล้วค่ะพี่เอิญจะาทำเงินได้มากและเร็วจนเขารู้สึกน้อยหน้าเพราะเดิมทีก็เกรงบารมีพ่อแม่จาอยู่ก่อนโถเอิเรื่องแค่นั้น เรื่องแค่ไหนขึ้นอยู่กับใครประสบกับตนเองรู้สึกกับตัวเองด้วยความเป็นเขามันไม่ใช่เพียงเรื่องแค่นั้นหรอกพี่แตรไม่ได้หลงรักบูชาจ๊ะขนาดยอมเสียความหญิงธนงในตัวเขาไปลานดาวประสานมือวางบนตักกล่าวสืบต่อเหมือนสายน้ําอีกอย่างเขาคงเห็นใครที่เหมาะกับตัวเขามากกว่าจ๊ะด้วยเพียงแต่ไม่กล้าคิดเพราะไม่อยากทํำลายจ๊ะแต่ถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนไปเมื่อเขากล้าคิดก็จะมีแต่คนเป็นสุขกันทั่วนหน้าแม้แต่จ๊ะเองก็คงยินดีด้วยจ๊ะ นี่พูดอย่างพี่สาวนะพี่ไม่อยากให้เธอเสียใจภายหลังชาวนี้เธออาจจะกําลังคิดเองเออเองตามลําพังตกบ่ายอาจย้อนทบทวนแล้วเห็นตัวเองเพ้อเจ้อใหญ่จะด่วนพูดจากับพี่ตรายอย่างที่พูดกับพี่เด็ดขาดละ่ะทุกคนจะเจ็บปวดกันหมดเพียงเพราะความหูตา ฟ, าฟ้าฟางเข้าข้างตัวเองของเธอคนเดียวยังไงพี่เอินก็ไม่เชื่ออยู่ดีงั้นเย็นนี้นัดคุยกันสามคนก็ได้ค่ะจะไม่ใช่จะหลบลีหนีหน้าไปไหนยังขอติดสอยห้อยตามพี่ๆบ้างในบางโอกาส เพียงแต่เราเปลี่ยนมุมมองสลับตำแหน่งกันให้ถูกต้องเท่านั้นพี่เอิญอยากกลัวว่าจะต้องมีอะไรเสียหายทางกายทางใจระหว่างพวกเราเลยแล้วหญิงสาวผู้แสนสวยก็ยิ้มกระจ่างสายตามีทั้งกระแสปลาณีและอำนาจใหญ่ราวกับนักสกดจิตชั้นเจ้าจะกลับละ่ะจะปล่อยให้พี่เอิญอยู่คนเดียวแลรู้ด้วยตัวเองว่าที่จะพูดมาทั้งหมดนี้มีใจของพี่เอิญช่วยรับรองว่าเป็นความจริงไหม